ถ้าไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศนะบางทีก็เข้าใจยากนิดนึงแต่ถ้าเคยได้ยินได้ฟังเราก็จะรู้ว่าเรื่องธรรมดาหลวงพ่อเทศแต่ละคราวแต่ละคราวเนี้ยบางคนบางแห่งวก็ตั้งหัวข้อให้เทศไม่เคยเทศตามหัวข้อเขาเราหลวงพ่อเทศตามคนฟังแล้วคุณภาพของคนฟังระดับไหนก็เทศระดับนั้นนะเทศตามหัวข้อไม่ค่อยได้ผล ถ้าพวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรงการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยยากแต่ถ้าพวกเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้แล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเรายัง่ายจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ไม่จำกัดหรอกที่ผ่านมาก็จะเถียงกันว่ากรรมฐานแบบไหนดีกว่าแบบไหนสายไหนดีกว่าสายไหน เพราะนั้นสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะออปฏิบัตินะไปตั้งเฉียงกันมาพุโทโธดีหรืออานาปนสติดีหรือบริกรรมน้ำมาพาทาสัมมาระหังหรือผ่องยุบหรือจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจะดูเวทนาอย่างโกเอนก้าสารพัดรูปแบบรูปแบบของการปฏิบัตินะไม่สำคัญ ไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดมันมีแต่กรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราคนแต่ละคนเหมาะกับกรรมฐานไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยทำสมถะกรรมฐานนะด้วยอานาปนสติเองกับท่านพ่อรีแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อสอนลูกศิษย์ทุกคนต้องทำอานาปนสติแต่ละคนก็ต้องไปดูว่าตัวเองเหมาะกับกรรมฐานอะไรแล้วใช้กรรมฐานอันนั้น หลวงพ่อจเจริญวิปัสนากรรมฐานด้วยการดูจิตจิตตานุปัสนาก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียนกับหลวงพ่อต้องดูจิตรู้สึกหลวงพ่อบางคนก็ดูกายบางคนดูเวทนาจริงๆแล้วกรรมฐานนะั้นมันไม่มีกรรมฐานอะไรดีที่สุดนะไม่ต้องนั่งเถียงกันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนถ้าเถียงกันเรื่องนี้สแสดงว่าภาวนาไม่เป็น ถ้าภาวนาเป็นจะรู้ว่าแต่ละคนมีทางของตัวเองเราต้องดูจริตนิสัยของตัวเราเองกรรมฐานนี่เป็นงานของใจมีอยู่สองอย่างอันหนึ่งคือฝึกใจให้มีพลังให้มีความสงบมีความตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็พร้อมที่จะเจริญปัญญานี่คืองานที่1เรียกว่าสมถกรรมฐานงานที่2เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคือการอบรมใจให้ฉลาด ให้รอบรู้ให้เข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจงนั้นงานฝึกจิตใจเรานะี้มีสองอย่างนะสมะถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมะถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสองอย่างไม่ใช่อันเดียวนี่เราก็ต้องดูว่าจริตนิสัยของเราเป็นอย่างไรนะไม่ใช่ว่า นับถืออาจารย์องค์นี้อาจารย์องค์นี้ใช้วิธีนี้เราก็ทําอย่างนี้อย่างนั้นเป็นความไม่ฉลาดของเราแท้จริงแล้วธรรมะมีตั้งมากมายไก่กองนะพิธีปฏิบัติมีตั้งเยอะแยะเนี่ยสมถะกรรมฐานนีไม่เลือกอารมณ์กรรมฐานนะถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วเราจะค่อยๆเลือกเฟ้นว่าเราควรจะใช้กรรมฐานอะไรเนีย่ยสมถะกรรมฐานการฝึกจิตฝึกใจให้มีความสงบมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สามารถใช้อารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์ปัญญัติก็ได้เช่นเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือเราสวดมนต์หรือเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิคูณสุภาหรือกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องความคิดคิดในทางบวกคิดในทางเมตตาคนอื่นในเจริญเมตตาอะไรเงี้ยก็ทำได้คิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่เราได้รักษาไว้ดีแล้วอย่างนี้ก็ใช้เป็นทำสมถะได้ คิดถึงคนดีๆนะคนที่มีความดีความงามอย่างสงวยเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยหน้าใจเรามีความสุขนะใจเรามีความสงบก็ได้สมถะกรรมฐานแสมถะกรรมฐานเนี่ยอันแรกเลยไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้คือเรื่องราวที่เราคิดก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้นะอย่างเช่นบางคนก็ดูลมหายใจจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยสงบอยู่กับลมหายใจนะ นี้ก็ได้ความสงบได้สมถะหรือบางคนดูท้องพองยุบท้องพองพองหนอยุบหนョพองหนอยุบหนョไปเรื่อยเอาเอาท้องมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเพ่งตัวรูปเพ่งท้องท้องเป็นวัตถุเป็นรูปธรรมหรือเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้านะสติจ่ออยู่กับเท้าตลอดเอารูปธรรมมาเป็นอารมณ์กรรมฐานอันนี้คือสมถะกรรมฐาน ถึงจะไปแกว่งป้ายบอกว่านี่คือการทำมิปัสสนาแต่จริงๆคือสมถะเพราะอะไรเพราะว่าสมถกรรมฐานเนี้ยใช้อารมณ์รูปนามก็ได้หรือเราจะเพ่งจิตเพ่งความว่างก็ได้นั่งภาวนาไปกำหนดจิตข้างหน้าเรามันว่างๆเรากำหนดอยู่ในความว่างในความสว่างเนี้ยเรียกว่าอากาศสารานจายตนะเพ่งช่องว่างหรือเราเพ่งตัวจิตเฉยๆก็ได้เรียกว่าวิญญาณานใจยตนะ เป็นนามนธรรมงั้นจะใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้นะใช้อารมณ์ที่เป็นรูปธรรมก็ได้ใช้อารมณ์ที่เป็นนามนธรรมก็ได้เป็นสมถะกรรมฐานได้ทั้งสิ้นงั้นไม่ใช่ว่าอย่างนี้เป็นพุทโธเป็นสมถะ น, นะดูท้องพองยุบเป็นวิปัสสนายังไม่เป็นหรอกวิปัสสนาไม่ใช่เห็นรูปนามวิปัสสนาจริงๆนะัต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ ของร่างกายเห็นไตรลักษณ์ของจิตใจเห็นนั่ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าหากเห็นเฉพาะกายเห็นเฉพาะใจนะเป็นสมถกรรมฐานนี่เราก็ต้องมาเลือกดูว่าเราควรจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรอันนี้เป็นความฉลาดในเบื้องต้นที่เรียกว่าสัมปชัญญะเคยได้ยินคำว่าสัมปชัญญะไหมเราพูดง่ายๆนะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวอะไรรู้ตัวทั่วพร้อมหรอือไม่ใช่นะความรู้ตัวคนไทยมาแปลเอง สัมัชัญญาเนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นของเรานในการรู้จักเลือกเฟ้นว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรแล้วก็ไม่หลงลืมกรรมฐานอนนั้นเราจะรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาร ะ, ะอย่างในโลกนี้มีเรื่องราวที่มีสาระยาเยอะแยะใช่ไศาสตร์ต่างๆมีสาระทั้งนั้นเลยแต่ว่าในบรรดาสิ่งที่มีสาระน่ะอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ของบางอย่างไม่ได้มีประโยชน์กับเราแล้วก็ สิ่งที่มีประโยชน์กับเราเนี่ยอะไรสมควรกับเราอย่างสมถะมีปัศนาเนี่ยมีประโยชน์นะแต่ว่ากรรมฐานแบบไหนที่สมควรกกบเรานะเราก็ต้องรู้จักดูตัวเองดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นไม่ใช่เชื่อคนอื่นแม้เราดูจากอะไรดูจากจริตคมว่าจริตนะถ้าเราจะดูว่าเราจะทำความสงบด้วยกรรมฐานอะไรเนี่ยเราก็ดูเราเป็นพวกราคาจริตหรือเปล่าหรือโทสะจริต หรือโมหะจริตนะจริตหลักๆนั้มันจะมีหกตัววิตกจริตพวกคิดมากนะศรัทธาจริตพวกเชื่อง่ายนะพุทธิจริตพวกชอบใช้เหตุใช้ผลอะไรเงี้ยเนี่ยจริตนิสัยหกอย่างมันเป็นตัวสําหรับเลือกอารมณ์ทําสมะถะธรรมฐานนะตัวหลักๆเนี่ยราคะโทสะโมหะเนี่ยตัวหลักๆนะพวกเราคนไหนเป็นพวกราคะจริตบ้างมีไห้ยกมือซิมีไหมรู้ตัวไหม เป็นพวกราคะจริตหรือเป็นพวกโทสะนะใครยกมือหน่อยมีไห ม, ไมพวกโทสะใครเป็นพวกขี้หลงฟุ้งซ่านแหลกลานนี่พวกโมหะนะพวกราคะจริตเจออะไรก็ชอบไปหมดนะไมนเจออะไรก็ชอบพอใจไปหมดเลยเพลดเลดินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะวิธีดูง่ายๆนะวันๆเนีนะ่ยใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานนะ แล้วก็เห็นอะไรก็อยากได้เนี่ยเราดูตัวเองนะถ้าเป็นพวกโลภมากราคะจริตเนี่ยนะใจมันจะทำไงอย่างบางคนไปเห็นผู้หญิงนะผู้หญิงบางคนเห็นผู้หญิงก็ชอบนะหรือผู้ชายไปเห็นผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงเห็นผู้ชายก็ชอบอย่างเงี้ยเจอใครก็ชอบไปหมดเลยใจมันก็ฟุ้งซ่านเวลาที่เราไปชอบคนอื่นสังเกตไหมใจเราจะฟุ้งซ่านเราจะไปคิดถึงคนอื่นเราชอบคนไหนเราก็คิดถึงคนนั้นบ่อยๆ ใจเราก็ไม่อยู่กันนล้ก็ตัวใจไม่สงบนะท่านก็สอนกรรมฐ า, านวนะ่าอย่างนี้ลองมาพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาดูสิไอคนที่เราชอบนะ่มันไม่ได้สวยได้งามจริงนะมันโสกปรกนะร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะมีหนังหุ้มอยู่ทั่วๆไปเลยมีรูรั่วรูรั่วใหญ่ๆก้าวรูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดนี่ลองมาดูในร่างกายตัวเองนนะ ดูไปดูไปในความราคาจริตอะไรนี่มันจะค่อยๆลดความรุนแรงลงนะกำลังของราคามันจะอ่อนลงเพราะเราพิจารณาสุภาไปแล้วคนขี้โมโหเงี้ยคนที่โมโหขี้โมโหไปพิจารณาสุภายิ่งโมโหหนักเข้าไปอีกนะหงุดหงิดทนไม่ได้ขี้โมโหก็ใช้กรรมฐานที่อ่อนโยนที่นุ่มนวลอย่างแผ่เมตตาจเจริญเมตตาไปนะ ถ้าเป็นพวกที่ศรัทธามากๆนะจะคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโ ธ, ทธคิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนี่เราดูตัวเองนะไปสํารวจตัวเองนะว่านิสัยใจคอของเราเป็นแบบไหนแล้วเราควรจะใช้กรรมฐานอะไรไปไปอ่านหนังสือดูนะในตำรา ม, มีเยอะแยะไปเรื่องของจริตนะแต่ว่าเมื่อเราเลือกได้แล้วว่าเราควรจะใช้กรรมฐานอะไรคราวนี้เราก็ทําสม่ําเสมอรู้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนะั้นะนะสม่ําเสมอ อย่างหลวงพ่อนะตั้งเด็ดเดกๆครูบาอาจารย์สอนให้ทําอานาพนสติใจมันชอบหายใจไปแล้วมีความสุขหายใจไปแล้วมีความสุขนะใจไม่ไม่ฟุ้งไปในโลกโลกแล้แต่ความที่ใจมันชอบฟุ้งซ่านเนี่ยพอหายใจพอสงบลงไปลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงนะคราวนี้ความฟุ้งซ่านมันพลิกแปลงออกไปอีกแบบมันออกไปรู้ออกไปเห็นอะไรข้างนอกนะเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอะไรต่ออะไรออกไปนะเห็นคนอื่น แน่ใจใจฟุ้งออกไป อ, กอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะเป็นกรรมฐานที่ยังใช้ไม่ได้เพราะใจเรายัางฟุ้งซ่านอยู่ถึงยังฟุ้งไปในโลกของจินตนาการะเห็นผีเห็นเทวดาอะไรก็ยังถือว่าฟุ้งซ่านเราต้องพยายามฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวสมถะกรรมฐานเนี่ยทำไปนะเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวในภาษาไทยง่ายๆเลยพวกเรารู้สึกไหมว่าเราลืมเด้อลืมตัวทั้งวัน มีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจแล้วลืมตลอดเลยนะตื่นนอนมาคิดถึงอะไรก่อนไม่คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นคิดถึงงานคิดถึงโ น, น่นคิดถึงนี่ไปไม่ได้รู้สึกว่าขณะนี้ร่างกายอยู่ในอิริยาบถยังไงจิตใจของเราเป็นยังไงอะไรแล้ไม่สนใจเราใจทําสินหนีฟุ้งๆไปตลอดเลยนี่พอใจมันช่างหนีอย่างนี้คนระูบาอาจารย์สอนให้หลวงพ่อมารู้ลมหายใจแล้วมันะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการเลือกอารมณ์กรรมฐานก็คือ เราต้องดูตัวเองว่าถ้าเราไปรู้อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะให้ใช้อารมณ์มานั้นเลยดูง่ายๆอย่างนี้นะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายๆถ้าจะดูจากจริตเนี่ยบางคนยังงงๆว่าเราจริตราคะโทสะโมหะใช่ทั้งนั้นเลยนะวิตกก็ใช่ฟุ้งซ่านเก่งพุทธิบางทีก็มีเหตุผลบางทีก็มีศรัทธา นะทั้งหกอันมีหมดเลยรวมแล้วเป็นจริตที่เจ็ดคือดัดจริตนะผมไม่รู้จะทําทกรรมฐานอะไรแล้วครับนี่งงนะยเราจะดูง่ายๆคราวนี้ดูวิธีที่ง่ายๆนะสังเกตตัวเองว่าถ้าเรารู้อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะใช้อารมณ์นั้นถ้าพุโทโธแล้วมีความสุขแล้วพุโทโธพุโทโธไปอย่างมีความสุขจิตที่มีความสุขจะไม่ฟุ้งไปหาอารมณ์อันอื่นจิตเท่จะสงบนะถ้าเรา อย่างพิจนาสุภา al, อะไรอย่างี้นะแล้วจิตมีความสุขบางคนพิจนาสุภา ala, แล้วมีความสุขนะจิตก็สงบอย่างหลวงพ่อเนี่ยหายใจแล้วมีความสุขหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปแล้วมีความสุขนะจิตก็สงบดังนั้นเราไม่ใช่เลือกตามคนอื่นนะเราจะเลือกอารมณ์กรรมฐานเนี่ยให้ถูกกับใจของเราใจเราชอบอารมณ์อะไรนะอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราใช้อารมณ์นั้นแล้วเราอย่าไปหลงลืมอยู่อารมณ์นั้นให้มากๆอยู่บ่อยๆไป ถ้าชอบพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทําก็พุทโธไปชอบหายใจนั่นก็รู้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจไปเรื่อยๆทําไมเราต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขธรรมตาจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยสมถะเนี่ยทำให้หายฟุ้งซ่านนะเนี่ยจิตที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะว่ามันเที่ยวสแสวงหาอารมณ์ที่มีความสุขนั่นเองอย่างเราไปดูหนังเนี่ยอยากมีความสุขไหม เราไปฟังเพลงอยากมีความสุขเราไปคุยกับเพื่อนอยากมีความสุขเล่นแชทเล่นไลน์เล่นอะไรต่ออะไรอยากมีความสุขไม่ได้เล่นเล้วหาความทุกข์ใส่ตัวหรอกแต่ว่าผลประโยชมักจะทุกข์นะแต่ว่าจริงๆอยากได้ความสุขแต่พอไปเที่ยวหาอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันไม่อิ่มมันไม่เต็มอยากไปดูหนังสักพักหนึ่งนะมันก็หมดความรู้สึกอยากจะดูแล้วก็ไปหิวอารมณ์อย่างอื่นอีกใจก็วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อย่างอื่นต้นองไปฟังเพลง ฟังไปซ่าผาก็เบื่อหิวนะแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าหาอารมณ์ที่มีความสุขตลอดเวลาเลยการที่จิตใจเราวิ่งหาอารมณ์ที่มีความสุขแล้วมันไม่เต็มมันไม่อิ่มมันทําให้มันหาไปเรื่อยๆใจมันฟุ้งซ่านดังนั้นถ้าเรารู้จักจิตใจของเราเองพอนะเราก็จะรู้สังเกตเอาว่าจิตใจนี้อยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราเอาอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมันเลยนะจิตใจมันจะได้ไม่วิ่งซ่านไปหาอารมณ์อย่างอื่น อย่างถ้ามีความสุขพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปได้่อยๆจิตใจมีความสุขแล้วจิตใจก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์มาเรีเนไปทํำมานะแล้วเราจะได้พลังของจิตนะทุกวันนี้พวกเราทํางานเหนื่อยใช้ความคิดมากเหนื่อยมากนะแล้วชีวิตนี้ต้องต่อสู้ดิ้นรนมากเหลือเกินแค่นั่งรถมาทํางานก็ไม่ใช่ง่ายแล้วนะในกรุงเทพเนี้ต้องแย่งชิงกันมากมายเหลือเกินเนี่ยสงครามจะเกิดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหม เกิดแล้วจะอะไรจะกระทบเราอีกก็ไม่รู้นะมันเต็มไปด้วยปัญหาอะไรที่จะทําให้เราเครียดเครียดได้เยอะแยะเลยงั้นถ้าเรารู้จักจุดที่เราจะมาพักผ่อนนะมีความสุขมีความสงบอยู่ด้วยตัวของเราเองได้เนะี่ยควรจะฝึกเอาไว้วันข้างหน้าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้านเมืองอาจจะวุ่นวายสงครามเยอะก่อการร้ายเยอะนะหรือน้ํามันไม่มีจะขายนะเขาเลิกใช้น้ํามันแล้วต่อไปเนี่ยต่อไปแล้วเราอยู่อย่อยางไงเนี่ยเราต้องไปทีบฝึกตัวเองนะ ให้เรามีความสุขได้ในทุกๆสถานการณ์ต้องฝึกตัวเองถ้าเราสามารถหายใจออกก็มีความสุขหายใจเข้าก็มีความสุขตราบใดที่ยังหายใจอยู่ก็ยังมีความสุขอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นทุกวันนี้ความสุขของเรานะมันเป็นความสุขที่พึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นตลอดเวลานคนอื่นกับสิ่งอื่นเป็นของแปรปรวน เราพึ่งอะไรนะเราก็ต้องง อ, อนนั้นอย่างเราพึ่งแฟนเราเนะี่ยเรารักเขาแล้วเราอยากอยู่กับเขาอยู่กับเขาถึงจะมีความสุขเราก็เสียความเป็นตัวของตัวเองไปส่วนหนึ่งนะต้องเอาใจเขานีในขณะที่ถ้าเราหายใจออกหายใจเข้าเราคอยรู้สึกแล้วเรามีความสุขไม่ต้องง้อใครนะหายใจเของเราไปหรือเรารู้สึกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไปมีความสุขเห็นร่างกายขยับเ ข, ขยื้อนเคลื่อนไหวมีความสุขเห็นร่างกายหยุดนิ่งมีความสุข นี่เราก็คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆไปนี่เราไปดูตัวเองนะไปสังเกตตัวเองนะช่วยตัวเองสะหน่อยนะสังเกตตัวเองว่าถ้าใจิตใจเราไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะไปหาคำตอบตัวนี้นะให้กันบ้านถ้าถ้าไปอยู่รู้รู้แล้วนะว่าเราควรจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรนะก็เราก็รู้อารมณ์นั้นบ่อยๆรู้บ่อยๆเนะนี่ยรู้แล้วว่าสิ่งนี้สมควรแก่เรา แล้วก็ทําสิ่งนี้บ่อยๆไม่หลงลืมเนี่เรียกว่าสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะเป็นตัวที่รู้จักแยกแยะว่าเราควรจะทําอะไรนะจะทําอย่างไรทําอะไรแล้วก็ไม่หลงลืมทําบ่อยๆต้องฝึกนะของงานนี้เอาเงินซื้อไม่ได้เพราะงเงินก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานี้ของชั่วคราวทั้งหมดเลยต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวของตัวเองนะต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ใช่อยู่เพราะว่าต้องอาศัยคนนี้ ต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องมีสิ่งนี้ถึงจะมีความสุขถ้าเสียคนคนนี้ไปเสียสิ่งสิ่งนี้ไปแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์เหรอมันได้เกินไปนะไม่สมเป็นชาวพุทธหรอกงั้นแต่สํารวจใจตัวเองนะว่าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขไปอยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆค่อยๆฝึกไปนี่กรรมฐานอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเรียนเพื่อให้จิตฉลาด ให้จิตใจฉลาดจิตใจได้รู้ความจริงของรูปนามกายใจรู้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรตอนนี้พวกเรายังไม่เข้าใจว่ารู้เราจะได้อะไรอาศัยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนไปก่อนก็นแล้วกันท่านบอกเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นถ้าหลุดพ้นได้ก็พ้นทุกเท่านั้นเองยึดถืออะไรยึดถืออยู่ในรูปธรรมนามธรรมในกายในใจของเรานี่เอง อย่างพวกเราเนี่ยเรายึดถือร่างกายว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอย่างแน่นอนเพอะร่างกายแก่มันคือเราแก่นะเราก็ทุกข์สิเราแก่ร่างกายเจ็บมันคือเราเจ็บนะก็ทุกข์สิร่างกายตายคือเราตายก็ทุกข์สิแล้วเราเรายึดถืออารมณ์ทางใจนะอย่างเราอยู่กับคนที่มีความสุขเนี่ยเราก็โหยหาถ้าเราคลาดพลากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักเราก็ทุกข์ต้องอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับสิ่งที่เรารักถึงจะมีความสุข แต่คนที่รักสิ่งที่รักแปรปรวนได้ใช่ไมใน่สุดความทุกข์ก็ตามมาอีกสุดท้ายก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เรามีคนที่รักบ้างไหมหรือไม่มีเลยชาตินี้ไม่มีใครรักเลยไม่เคยรักใครเลยบางคนไม่มีใครมารักเราเลยนะแต่เรารู้จักรักคนอื่นมีบ้างไหมมีมกันแหละแต่ไม่ให้ต้องให้หลวงพ่อชี้นะ ถ้าเราพลัดพลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งท e, ี่เรารักก็ทุกช่วยไหมแต่ถ้าเราเห็นความจริงว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชโชคคราวนี่จิตมันฉลาดจิตมันรู้ว่าความสุขก็เป็นของชโชคคราวความทุกข์ก็เป็นของชโชคคราวเนี่จะพลัดพลาดจากคนที่เรารักนะใจมันมีความทุกข์ก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะความทุกข์มันก็ของชโชคคราวความสุขก็ของชโชคคราวนั่จะจะประสบสิ่งที่ไม่รักนะสูญเสียสิ่งที่รักไปใจมันก็ไม่ทุก เพราะอะไรเพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าสุขกับทุกข์มันเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันในแง่ที่ว่ามันไม่เที่ยงเหมือนๆกันมันบังคับไม่ได้เหมือนๆกันงั้นต่อไปไม่ว่าใจเรานะจะเจอความสุขเราก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงระเริงเรารู้ว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลาที่เราไปเจอความทุกข์ใจก็ไม่เศร้าหมองเรารู้ว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปพวกเราแต่ละคนใครเคยมีความทุกข์มากๆลองยกมือซิมีไหม ไปทุกอย่างแรงแรงกล้ายกไหมกล้าๆหน่อยสิเรียนกรรมฐานซื่อสัตว์มีความทุกข์ไม่เคยทุกข์เลยเหรอช่างมีบุญเหลือเกิน <c oughs> ใครคๆมีความสุขมากๆมากสุขมากๆเลยลองยกมือซิมีไหมแล้วรู้สึกไหมว่าความทุกข์ถึงจุดหนึ่งมันก็ผ่านไปความสุขถึงจุดหนึ่งก็ผ่านไปเนี่ยถ้าเราฝึกมีปรัสนานะเราจะมาคอยสังเกตอยู่ในใจเรา เราจะเห็นว่าเดี๋ยวความสุขก็ามาความสุขก็ไปความทุกข์ก็มาความทุกข์ก็ไปความดีก็ามานะความดีก็ไปโลภโกรธหลงมาโลภโกรธหลงก็ไปนะเคยโกรธไหมเคยโกรธนานนานไหมแล้วมันหายไหมหายไหมไม่มีอะไรที่คงที่เลยนี่เวลาฝึกวิปัสสนานะเราจะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจไปเรื่อยๆความจริงในจิตใจก็คือทุกอย่างนีนไม่เที่ยง สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงโบคหลดลงก็ไม่เที่ยงทาจิตเนี่ยนะให้ดูของจริงซ้ําแล้วซ้ําอีกลงไปจนจิตมันยอมรับความจริงนะว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวลบคหลดลงก็ชั่วคราวถ้าจิตมันยอมรับตรงนี้ได้แล้วนะต่อไปว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจิตมันจะไม่หวั่นไหวทุกวันนี่ยจิตมันไม่ยอมรับความจริงมันถึงหวั่นไหว เวลาความทุกมาเนี choice, But, le, an angel, it, ่ยจิตไม่ชอบใช่ไหมจิตก็หวั่นไหวแต่ถ้าจิตมารู้ว่าความทุกเป็นของชั่วคราวจิตมจะไม่หวั่นไหวเท่าไหร่หรอกหรือความสุขมานะเราก็กลัวว่ามันจะหายไปเคยมีไหมความสุขมาความสุขยังไม่ทันหายเลยกลุ่มใจแล้วกลัวมันหายไปหรือความสุขมันหายไปแล้วอยากให้มันมาเนี่ยถ้าใจมันรู้ความจริงนะว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยความหิวโหยในความสุขมันจะลดลง จะดิ้นรนหาความสุขอะไรนักหนาความสุขเป็นของชั่วคราวดิ้นรนเอาของชั่วคราวแล้วไม่ได้อะไรนักหนามันเหนื่อยนะมันเหนื่อยแสนสาหัสเลยแต่ละวันแต่ละวันนะที่เราดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี่ยเราดิ้นรนหาความสุขเราดิ้นรนนีครับหีความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าใจมันเห็นความจริงมันสุข ก, ก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงความดิ้นรนเนี่ยมันจะลดลง ว่าจิตมันไม่ดิน้นรนนะจิมจะมีความสงบสุขอยู่ด้วยตัวของมันเองแม้สุดท้ายใจมันเข้าสู่ความสงบสุขเหมือนกันนะแต่ว่ามันสุขสงบสุขคนละแบบก e ับการทําสมาธิสมาธกรรมฐานน่ะสงบสุขเพราะเราเอาเอาอารมณ์มาล่อมันเอาเหยื่อมาล่อมันเหยื่อที่อร่อยอร่อยที่ดีๆนะอยู่กับอารมณ์นี้แล้วมีความสุขเราก็น้อมใจมาอยู่ในอารมณ์อันนี้ใจมันก็ไม่หนีไปที่อื่นมันก็มีความสุขแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ย ให้เราเรียนรู้ความจริงนะจนกระทั่งมันรู้ความจริงว่าตัวอย่างมั็นของโชคราวหมดเลยคราวนี้จิตใจไม่กระเพื่อมหวั่นไหวความสุขมาจิตใจไม่หวั่นไหวหลงยินดีความทุกมาจิตใจไม่หวั่นไหวยินร้ายเกลียดชังมันใจมันก็สงบสุขนะไม่กระเพื่อมขึ้นกับเพิ่อลงไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายมันสงบสุขขึ้นมาเพราะปัญญาคราวนี้ไม่ใช่สงบสุขเพราะว่าน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอีกต่อไปละ งั้นเวลาที่เราภาวนานะถึงจุดหนึ่งที่จิตเข้าถึงพระนิพพานเป็นป ร, รมมสุขอย่างยิ่งเลยนะเป็นสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานนี่สูงกว่าสิ่งอื่นสุขของสมาธินี่อยู่ชั่วคราวช่วที่กําลังของสมาธิยังอยู่พอสมาธิเสื่อมจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาใหม่วุ่นวายขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราจเจริญปัญญานะเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรม ดูลงในกายดูลงในใจจนมันหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วมันรู้ความจริงของกายมันก็ไม่ยึดถือกายมันรู้ความจริงของจิตใจมันก็ไม่ยึดถือจิตใจนะเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ว่าอะไรมากระทบกายมากระทบใจเนี่ยจิตไม่ยินดีจิตไม่มีความยินร้ายจิตไม่มีความกระเพิ่มหวั่นไหวนะจิตเข้าสู่สภาวะที่เสถียรนะทรงตัวคงตัวอยู่โดยไม่ต้องรักษาแั้ไม่นจะมีความสุขมหาศาลมากกว่ากันมากมายนักนะค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะ แต่การที่จะฟังหลวงพ่อครั้งเดียวให้รู้เรื่องเนี่ยยากเพราะอะไรเพราไม่เคยมีใครเขาสอนกันอย่างนี้หรอกแต่ว่าหลวงพ่อที่ไปเรียนมาหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่ออย่างนี้นะสอนให้ภาวนามาอย่างนี้ดูกายดูใจดูอะไรของเราไปแต่ว่าท่านไม่สอนวงกว้างครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาท่านไม่สอนวงกว้างช่วงที่หลวงพ่อออกมาสอนโยมใหม่ๆนะบางองค์ท่านทวงหลวงพ่อเลยประโมดสอนยากไป สอนคารวะนะสอนมันทําทานถือศีลมันก็ทําไม่ได้ละไม่ใช่ทําได้นะสอนทําทานถือศีลมันก็ทําไม่ได้แล้วไปสอนอะไรสมาธิปัญญาชั้นสูงไม่ทําหรอกไม่เชื่อเลยเสียเวลาเหนื่อยเปล่าๆอยู่ของเราสบายๆดีกว่าหลวงพ่อไม่เชื่อแต่ไม่เถียงท่านนะครับครับครับไปงันแหละแต่ไม่เชื่อหรอกเพราะอะไรหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นคารวะทำไมเราทําได้อะคนอื่นไม่โง่กว่าเราหรอกแต่ว่าเขาไม่มีโอกาส หลวงพ่อมีโอกาสคือเราลุยเข้าไปหาครูบาอ า, นะาจารย์นะครูบาอาจารย์หลวงพ่อแต่ละองค์นะรุ่นดึกดําบันเท่านั้นเลยนะแต่ละองค์ไม่ธรรมดานะรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่หงลวงปู่ดูลเนะี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นเลยเนะข้าไปหาท่านนะท่านอายุตั้ง95้าแล้วตอนนั้นนะเรียนกับท่านได้ปีปีวกว่ากวายแล้วสิ้นแล้วหลวงปู่เทศเนี่ยอายุเยอะนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นใหญ่ใหญ่ หลวงตามหาบัวนี่ยังถือว่ารุ่นเล็กลงแล้วนะรุ่นท้ายๆแล้วนี้ได้เข้าไปเรียนได้ธรรมะที่ท่านสอนมาแล้วเอามาปฏิบัติก็รู้ว่าคราวัตเนะ่ถ้าได้ยินได้ฟังก็ทำได้เหมือนกันพวกพระอุปถักครูบาอาจารย์บางองค์นะยังมาบอกหลวงพ่อเลยโยมฝึกมาอย่างไงโยมฝึกปีหนึ่งนะเท่ากับพระฝึกสิบปียี่สิปีนะเพราะผมฝึกทั้งวัน กรรมฐ า, านนะฝึกทั้งวันนะยกเว้นเวลานอนหลับกับเวลาทำงานที่ต้องคิดนะเวลาที่เหลือนะรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายดูใจทำงานไปเรื่อยตอนไหนดูไม่รู้เรื่องทำความสงบเข้ามามีเรื่องมีแรงแล้วกลับมาดูกายดูใจใหมนะ่ทำไมมันจะไม่ก้าวหน้านี่ถ้าพวกเราทำแบบที่หลวงพ่อบอกนะง่ายๆเลยนะแรกถือศีลห้าไว้นะแล้วทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาไว้ทาในรูปแบบ ไว้พาส่วนมนต์นิดหน่อยนะแล้วทํากรรมฐานไปถ้าวันไหนใจฟุ้งซ่านทําความสงบไปดูตัวเองอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วสงบเพาอยู่กับกรรมฐานนั้นมีความสุขนะมีความสุขแล้วก็อยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขและจิตก็สงบอย่าบังคับจิตให้สงบนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะถ้าอย่างบางคนบอกนั่งสมาธิทีไรไม่เคยสงบเลยอนั้นเพราะอยากสงบไปบังคับจิตให้สงบจิตที่ถูกบังคับไม่มีความสุขจิตที่ไม่มีความสุขจะไม่มีความสงบ จำไว้เลยนะความสุขเป็นเหตุให้เกิดความสงบความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเงั้นถ้าเรารู้จักเรื่องอารมณ์ที่มีความสุขจิตมันก็อยู่กับอารมณ์นั้นไม่หนีไปอารมณ์อื่นแล้วก็มีความสุขได้ความสุขความสงบขึ้นมาแล้วก็ฝึกนะให้เห็นหน้ากายกับใจนี่โคละอนกันร่างกายกับจิตใจเป็นโคนละอนกันร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูค่อยหัดแยกแยกไปเรื่อยๆนะในส่วนดมัจะเห็นกายกับใจเป็นคละอนกันความรู้สึกสุขทุกข ก็เป็นโคนละอนกับร่างกายเป็นโคนละอนกับจิตใจความโลภโกรธหลงนะหรือความดีทั้งหลายก็เป็นโคนละอนกับจิตใจนะแยกกันออกไปแยกออกเป็นส่วนส่วนส่วนคำว่าส่วนเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าขันเคยได้ยินคําว่าขันท่าไหมฟังแล้วน่ากลัวถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะหมดท่าเลยแปลว่าส่วนเป็นส่วนส่วนเป็นดิวิชันเป็นส่วนส่วนส่วนเป็นกองๆองส่วนรูปธรรมอันนึงนะส่วนของความสุขทุกขอันนึง ส่วนของความจำมันหนึ่งส่วนของความปรุงดีปรุงชั่วนหนึ่งส่วนของความรับรู้อนหนึ่งนี่เรียกว่าขันห้าแยกออกมาเป็นห้าส่วนขั้นแรกแยกสองส่วนก่อนคือกายกับใจ เ, เราหลวงพ่อจะพาให้พวกเร า, อาลองแยกดูนะไม่ใช่เรื่องยากอย่าตกใจบางคนเริ่มพอบอกหลวงพ่อจะพาทําแล้วรีบตั้งท่าเลยรู้สึกไหมรีบวางฟอร์มขึ้นมาฉับพลันเลยเอายิ้มหวานยิ้มยิ้ม นะถึงปิดปากไว้ก็ยิ้มได้นะยิ้มอยู่ข้างในนะยิ้มรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มเนี่ยแค่เนี้ย น, นะใคยรู้สึกแต่ร่างกายยิ้มอา้าวทำหน้าบึง้งซิหน้าบึง้งเหมือนแฟนมาตัดรักดูสิบอกให้หน้าบึ้งกับหน้าทะเลนหนักกว่าเก่าเห็นไหมหน้าบึ้งบ้างหน้าทะเลนบ้างรู้สึกไหมเรารู้ด้วยใจนะรู้ด้วยความรู้สึกเราพยักหน้าซิพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกไหม เนี่ยลองยกมือรู้สึกไหมร่างกายมันขยับร่างกายมันเคลื่อนไหวไม่ใช่จ้องมันนะแค่รู้สึกมันเอาตอนนี้เก็บมือลงไปนั่งธรรมดารู้สึกไหมร่างกายกำลังหายใจอยู่ไม่ใช่ดูที่ลมหายใจนะดูให้ลมหายใจเป็นเพ่งลมหายใจได้สงบแบบฤาษีชีพลายธรรมดานั่นเองเป็นกระสินรู้สึกไหมร่างกายมันหายใจใครเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนรู้สึก กายกับใจร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะไม่ใช่เรื่องยากหรอกพอร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกต่อไปมันจะรู้นะว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันคนละส่วนกันแล้วก็ต่อไปก็ค่อยๆสังเกตความรู้สึกกับใจความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆอ่ะก็เป็นคนละอันกับใจตอนนี้พวกเราใครมีความสุขบ้างยกมือสิใครมีความสุขยกมือ ใครมีความทุกยกมือใครเฉยเฉยยกมือใครไม่รู้ยกมือรู้หมดทุกคนแน่นะที่จริงไม่ยากที่จะรู้ใช่ไหมมีความสุขรู้ได้ไหมจะยากอะไรมีความสุขรู้ว่ามีความสุข organs. สังเกตไหมความสุขเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ามันเช่นเดียวกับร่างกายที่ยิ้มนะนะั่นแ่ะใจเป็นคนรู้สังเกตไหมความทุกเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้ามันเหมือนร่างกายที่หน้าบึ้งนั่นเองแต่ใจมันหน้าบึ้งนะ เนี่ยค่อยๆหัดดูไปนะหรือว่าใจโลภความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าทั้งสิ้นเลยค่อยๆหัดดูหัดแยกไปเรื่อยการที่แยกกายแยกความรู้สึกแยกใจเนีเรียกว่าแยกรูปแยกนามนะนามรูปปริเฉทยา น, เ, นยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งก่อนที่จะขึ้นวิปัสสนากรรมฐานได้ต้องแยกรูปนามได้ก่อนนะรู้สึกไหมตัวอะไรพยักหน้ารู้สึกไหมตัวอะไรยิ้มรู้สึกไหมตัวอะไรหายใจ ตอ น, นี้รู้สึกไหมตัวอะไรนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่แค่รู้สึกนะอย่าจ้องนะหลวงพ่อบอกว่าตัวอะไรนั่งอยู่โอเวอร์ทันทีเลยรู้ได้ใจที่ธรรมดานะใช้ใจที่ธรรมดาเนี่ยหัดรู้ไปนะในสุดเราจะแยกรูปแยกนามได้นะสุดท้ายมันจะเติมเห็นรูปธรรม ท, ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานามธรรมา ท, ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นเป็นแต่ของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะ ค่อยๆหัดรู้หัดดูนะเนี่ยคือหลักของมิปัสนากรรมฐานเราจะเรียนจนกระทั่งเห็นว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาค่อยๆฝึกไม่ยากเกินไปหรอกนะแต่ว่าฟังรอบเดียวบางคนไม่เข้าใจไปฟังซีดีไปอยู่ u ู u ูบนะถ้าไม่มีซีดีก็ไปดาวน์โหลดมาอยู่ในเว็บไซต์ธรรมะ com ด อ, ดอมนะไม่ใช่ดอดอื่นนะ ถ้าดอดอะไรโออาร์อะไรนะโอาอันนั้นของกลุ่นก้าถ้าดอดเนเด่นนี่ธรรมกายนะไปดูธรรมะ .com นะไปดาวน์โหลดมาฟังสักเดือนหนึ่งนะสักเดือนหนึ่งสองเดือนไม่เกินสามเดือนหรอกถ้าฟังแล้วก็ค่อยสังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยเราจะพบว่าชีวิตจิตใจเราเปลี่ยน คนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาไม่กี่เดือนล้าเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเขาเกิดใหม่เป็นคนใหม่เลยชีวิตที่เคยมืดบอดนะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ตามๆเข้าไปมันรู้เป้าหมายในชีวิตนะหรือว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อยกระดับใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ไปให้ได้ไม่ใช่มีชีวิตแบบตามๆเขาไปเขาเรียนหนังสือก็เรียนตามเขาเขาทางานก็ตามเขา เขามีครอบครัวก็มีตามตามเขาไปสุดท้ายก็แก่ตามเขาเจ็บตามเขาตายตามเขาไปอีกไม่ได้อะไรขึ้นมาค่อยๆหัดดูตัวเองไปเรื่อยนะไปฟังซีดีเข้าเหนือไม่นานก็เป็นหรอกใช้เวลาไม่นานเดือนสองเดือนสามเดือนเท่านั้นเองแล้วชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงนธธรรมมีจริงพระริยาสงฆ์มีจริง ธรรมะของพระเจ้ามีประโยชน์จริงๆเราจะรู้สึกเลยเพราะว่าเราสามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากกองทุกได้มากขึ้นมากขึ้นไปลองดูนะถ้าหากฝึกกรรมฐานมาหลายปีแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็แสดงว่าฝึกผิดแน่นอนนะถ้าปฏิบัติถูกต้องสมควรแก่ทำในเวลาสั้นๆเราจะเปลี่ยนตัวเองได้นะแล้วสมควรแก่เวลานะขอโอกาสหลวงพ่อให้ช้ำแนะนำนะเรื่อง การภาวนาครับคือผมคิดว่าผมเป็นคนที่ อ, อยู่ในพวกโทสะจริตนะเป็นคนงดหงิดง่ายแล้วก็โมโห ง, ง่ายนะครับพยายามใช้โทสะจริตเนี่ยมันจะคู่กับพวกปัญญานะลักษณะของปัญญากับโทสะเนี่ยมีลักษณะร่วมกันรวดเร็วรุนแรงทําลายล้างแต่โทสะเนี่ยทำลายล้างคนอื่นสิ่งอื่นนะปัญญาเนี่ยทำลายล้างกิเ ล, ลสลักษณะร่วม งั้นพวกปัญญามากๆเนี่ยกรรมฐานที่ใจจ ย, ยอมนะคืออนัตตานะต้องดูอนัตตาเป็นคนเจ้าความคิดไห ม, มช่างคิดหรือว่าเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามหลวงพ่อถามเพื่อให้ตอบเอาได้ด้วยตัวเองรู้ใช่ไหมว่าเจ้าความคิดเราทํางานก็คิดงั้นกรรมฐานที่เหมาะสําหรับคนที่เป็นทิฏฐิจริตคนที่คิดทํางานที่ใช้ความคิดอนะไรเนี่ย คือการดูใจของตัวเองจิตตานุปัสสน า, านี่เป็นกรรมฐา น, านที่เหมาะกับพวกทิฏฐิจริตกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนานี่เหมาะกับพวกตัณหารจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงาม น, นี่ถ้าเราเป็นพวกที่ชอบคิดชอบใช้เหตุใช้ผลทุกคราวที่เราคิดสังเกตไม้มความรู้สึกเราจะเปลี่ยนถ้าเราคิดเรื่องนี้ใจมีความสุขคิดเรื่องนี้ใจมีความทุกข์ คิดเรื่องนี้โลบคิดเรื่องนี้กรดคิดเรื่องนี้หลงคิดเรื่องนี้เบิกบานคิดเรื่องนี้หดผู๋นี่เราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเราไม่ห้ามใจที่จะคิดนะคิดอะไรก็ได้อย่างเช่นเราคิดถึงลูกน้องสักคนหนึ่งคิดถึงคนนี้ปุ๊บเกลียดมันเลยโทสะขึ้นเราเห็นโทสะขึ้นด้วยอย่างนี้เลยถึงไงก็ต้องเป็นหลวงพ่อทํางานบริหารมาก่อนนะลูกน้องบางคนเนี่ยคิดถึงมันแล้วก็โมโหแล้วนะ สั่งงานมันอะไรเนี่ยมันไม่เคยทําอย่างที่เราสั่งเลยมันทาอย่างอื่นนะมีบ้างไหมประจําเลยเนี่ย <laughs> <laughs> <laughs> ก่อนที่จะเรียกมันมาด่าเรารู้ทันใจของเราก่อนโทรศัขึ้นลล้ะพอเราดูไปปุ๊บโทรศัมันจะดับนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปห้ามมันนะแค่รู้เท่านาั้นเห็นความเกิดขึ้น ข, นของมันความตั้งอยู่ของมันแล้วมันก็จะหายไปเองนี่พอเราใจหายโทรศัพทแล้วค่อยเรียกมาดา่าคราวนี้เราจะด่าแบบยุติธรรม นะไม่มีอารมณ์เข้าไปลนะหรือเวลาเราประชุมเรื่องนี้ใจเราอยากได้เจรจากับลูกค้าเราอยากเรารู้ทันใจที่อยากนะความอยากมันดับไปแล้วจะเหลือแต่เหตุผลนะว่าทำยังไงที่จะดีที่สุดงั้นนักบริหารเนี่ยสิ่งที่เหมาะกับนักบริหารนักกรรมาฐานเนี่ยคือการคอยรู้ทันใจของตัวเองไว้ถ้ารู้ใจตัวเองได้นะต่อไปมึงจะรู้ใจคนอื่นนะรู้เขารู้เรารบลอยครั้งก็ไม่แพ้หรอกนะ นันต้องรู้ใจตัวเองให้ได้ก่อนสังเกตใจของเราไปเรืยสุขทุกข์ดีชั่วคอยรู้ลงไปเรื่อยนะครับพอใช้ได้นะเพราะว่าขันน่ะมันเริ่มแยกแล้วละ่ะขอบพระคุณผมขออนุญาตอาจารย์ครับครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่าผมเป็นจิตฟุง้งครับเรไม่ทราบว่ามันยังฟุ้งอยู่เลยแล้วดูออกไหมดูออกครับเออดีขึ้นแล้วเราสงสัยอะไร สงสัยว่ามันยังถูกทางอยู่ไหมครับสังเจนไหมว่าขนาดเนี้บังคับอยู่ครับให้รู้ว่าบังคับนะตัวนี้เกินไปแต่ว่าที่ฝึกอยู่ใช้ได้ดีกว่าเก่าแล้วละ่ะก่อนมันฟุ้งเลเทะตอนนี้ใจมันอยู่กันเนื้อก็ตัวใช้ได้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ตื่นเต้นเลยกดเอาไว้รูว้ว่ากดไปทำอีกไปเห็นไหมฟุ้งแล้ว <c oughs> ใจไหลเบิบไปให้รู้ทัน นะฝึกได้ลองฝึกปฏิบัติรู้กายรู้ใจตามที่หลวงพ่อแนะนำ ม, มานะคะทีนี้พอเวลาไปฝึกที่บ้านแล้วคะ่ะบางครั้งก็รู้สึกว่าเราเรารู้ว่าใจเราฟุ้งไปะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็มีคำถามว่ามีความสงสัยในจิตเพิ่มขึ้นมาว่าไ อ, อ้ที่เรารู้เนี่ยเรารู้เพราะว่าเราฟังซีดีหลวงพ่อมาตลอดแล้วก็รู้ว่าแบบนี้เดี๋ยวมันจะเกิดเราต้องรู้กายรู้ใจ เลยไม่นะแน่ใจมีความสงสยัยพอสงสัยก็จะ ร, รู้รู้สึกว่าเราสงสยัยแต่ก็ยังมีคําถามเวียนอยู่ในใจตลอดเวลาว่าบางครั้งที่เรารู้เนี่ยเรารู้จริงๆหรือว่าเรารู้รจริงไปดูต่อนะถ้าสงสยัย <c oughs> รู้ว่าสงสัยเลย <c oughs> เราเรียนกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกแต่ <c oughs> เพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับอย่างความสงสัยเกิดความสงสัยก็ดับนี <c oughs> ่ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆสังเกตไหมว่ากายกระใจมันโคตล้านดูออกไหมขันมันแยกแล้วอ่่ะคะ ถ้าแยกขันได้ในการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราก็จะเห็นขันมันทํางานไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจใช้เป็นคนดูนะต่อไปมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดว่ามีเรานะตัวเราค่อยๆหายไปถ้าไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์ก็ขันมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะดีใช้ได้ขอบคุณค่ะต่อ ค, ค่ะ พอดีอยากขอแนะนำหลวงพ่อค่ะไอ้ขอคําแนะนําเออจะแนะนำหลวงพ่อบ้างก็ได้นะขอโทษค่ะขอคําแนะนําค่ะพอดีลูกลองปฏิบัติแล้วเห็นบ้างค่ะว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกันเห็นตัวเราเวลาโกรธแล้วก็ใจเป็นคนดูเวลาที่มันโกรธนั่นแหละแต่อย่าไปแทรกแซงนะตอนที่เห็นแล้วถ้าเข้าไปแทรกแซงนั้นไม่ดีเช่นโกรธแล้วอยากให้หายนี ออพอดีเวลาโกรธอย่างนี้เธอแล้วเราจะรู้มันเหมือนว่ามีเสียงอีกอันหนึ่งมาบอกเราอยู่ว่าเฮ้ยเราโกรธอย่างนี้มันคือแทรกแซงหรือเปล่าไม่ยังไม่แทรกแซงแต่ตรงที่อยากให้มันหายไปอยากให้มันไม่เกิดเนี่ยอันนี้แทรกแซงไปดูตัวนี้ไปใจยังไม่เป็นกลางเห็นไหมถ้าเกิดอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นกุศลนะก็ชอบนะถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีไม่ชอบให้รู้ที่ชอบรู้ที่ไม่ชอบรู้ลงไปอีกชั้นหนึ่ง แต่ถ้าดูไปแล้วใจเฉยๆยังไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบไม่ต้องหานะถ้ามันชอบหรือไม่ชอบก็ค่อยรู้เอาเองไม่ต้องไปเที่ยวหาว่าตอนนี้ชอบหรือเปล่าหรือตอนนี้ไม่ชอบนะถ้าเที่ยวหาเนี่ยใจจะฟุ้งซ่านรู้ไปสบายๆายของหนูใจมันยังไม่เป็นกลางเนียเจอสภาวะอย่างนี้มันก็ไม่ชอบมันขี้โมโหน่ ะ, ะไปดูต่อไป กลับนมัสการค่ะคือขอส่งกันบ้านตอนนี้<อ>เพ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ก็กดอยู่ค่ะออรู้สึกต <ด S 1> ื่เตน้นถู ก, ถกใช้ได้ก็ <laughs> ส่งการบ้านในช่วงของหนึ่งปีกับ2เดือนค่ะคือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือเริ่มมาปฏิบัติในรูปแบบคือมีความตั้งใจมากขึ้นค่ะแล้วก็มาเริ่มใช้ อ, อารมณ์กรมรมฐานก่อนก็คือสังเกตว่าในแต่ละวันจะไม่เหมือนกันค่ะก็บางวันเนี้ยจะ เหมือนจะต้องใช้คําภาวนาสวดมนต์สั้นบ้างยาวบ้างค่ะเพ่งจะเริ่มต้นในเรื่องของการปฏิบัติในรูปแบบค่ะหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อตรวจกันบ้านใช่ได้ไปทำอีกขันเริ่มแยกแล้วดูออกไหมขันแยกนี่เป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งอย่างยากเลยนะนี่หลวงพ่อสอนมาเพราะเรารู้สึกตัวเป็นแล้วขัดจากรู้สึกตัวนี่แยกขันได้ รู้สึกตัวนี่คือใจมีสมาธิขึ้นมาแนละ้จิตใจอยู่กันเนื่อกับตัวได้สมาธิได้สมาธิกเริ่มเติมปัญญาด้วยกานแยกขันออกแยกขันได้แล้วต่อไปก็เห็นขันแต่ละขันน่ะเกิดแล้วดับไปเห็นร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับนะความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความดีความชั่วเกิดแล้วก็ดับ<ๆ>เนี่ยเฝ้าร<ๆ>ู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะปัญญามันพองก็ค่อยวางลงไปเองใจร้อนไปนิดนึง มีความใจร้อนแทรกแทกให้รู้ทันส่งกันบ้านในรอบประมาณสองปีนะคะคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ให้กลับมาดูตัวที่ฟุ้งซ่านออกมาอยู่ข้างนอกนะคะ่ะก็ก็กลับมาทํำในรูปแบบพยายามทําทุกวั น, นะะดูออกไหมตอนที่ใจไปอยู่ข้างนอกตอนนี้แหะค่ะไม่ใช่ตอนตอนนั้นที่หลวงพ่อบอกให้ดู ค่ะก็ก็เริ่มดูออกนะคะแล้วก็บางทีทั้งวันมันก็จะดูไม่ออกะคะ่ะแต่ว่าก็พยายามดูกายที่ขยับเวลาเดินไปเข้าห้องน้ําก็พยายามภาวนาไปดูไปหนะ้าร่างกายที่เดินไม่ใช่เราดูอย่างนี้ด้วยนะไปดูแต่ร่างกายเฉยๆไอเรื่องจะเป็นเพ่งกายได้สมถะนะดูร่างกายเป็นสมถะนะเพราะฉนั้นเราพยายามดูในมุมของความเป็นไตรลักษณ์ไว้เช่นไอ้ตัวที่เดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เขา้าไม่ใช่เราหรอก เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาค่อยๆดูค่อยๆสอนมันไปแล้วต่อไปจิตมันเดินปัญญาเองไม่ต้องสอนแล้วคราวนี้มันจะดูได้เองค่ะแล้วก็มีคำถามนะะึ่ค่ะมีครั้งหนึ่งภาวนาเดินจงกรมะคะ่ะเดินค่อนข้างนานนะคะพอพอเดินเสร็จแล้วก็จะมานอนนะคะแล้วเหมือนกับพอกาลังก้มก้มลงกราบะคะ่ะมันมันรู้สึกว่า เอเหมือนกับว่าร่างกายมัน ม, มีกําลังคือคือแขนมันเหมือนกับเหมือนมีวิทยายุทค่ะคือว่ามันมันขยับได้เหมือนกับไม่แน่ใจว่านั้นเราไปเหมือนกับมันแยกออกมาหรือเปล่าแล้วก็มาดูดูว่ากายมันมันเคลื่อนไหวได้เร็วมากและคล่องแคล่วมากอะอย่างนั้นมันเรียกว่าแยกแยกออกมาหรือเปล่าคะแยกแยกเนี่ยนะจะเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็แยกได้นะอ๋อค่ะอืะ แยกได้ทั้งวันทั้งคืนแหละโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะแยกเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าเห็นไหมตัวอะไรถือไมโครโฟนรู้สึกนะอย่าไปประคองใจอยขณะนี้ประคองใจอยู่รู้สึกไห ม, มถ้ารู้ทันก็ดีแล้วล่ะไม่มีปัญหาเราไปฝึกอีกไหมดีขึ้นละกลับนมันส ก, การหลวงพ่อก็อสังเกตยอย่างนะใครส่งกันบ้านหลวงพ่อเนี่ยนะตัวแข็งแข็งหมดเลย ใจมันตื่นเต้นครับมัน no, ววนเโกนธไปส่งงานบ้านในรอบสามปีครึ่งนะก็สังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ดูออกไหมจะกายกระใจอาจจะกายกระใจใมันแยกบอกแต่ว่าตัวอื่นก็ยังไม่เคยมันแยกได้คู่เดียวก็ใช้ได้แล้วสังเกตไหมว่าจิตใจนี่มันทํางานได้เองสังเกตไหมเดี๋ยวมันก็คิดได้เองเดี๋ยวมันโลบโกรธหลงได้เอง ทำงานของมันเองเนี่ยเราแยกกายแยกใจแล้วนะเราก็เห็นจิตใจมันก็ทำงานร่างกายมันก็ทำงานไปต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่างตัวก็ไม่ใช่เราสักอันเดียวมันทำงานได้เองอย่างจิตใจจะสุขจะทุกข์เลยเนะี่ยเราเลือกไม่ได้ดูออกไหมครับพักหลังเราสึกจะทุกข์จะโทสะเยอะโทสะให้ดูไปโทสะก็ไม่ใช่จิตนะโทสะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตหรอก จิตเป็นคนรู้ว่ามีโทสะเนี่คยค่อยๆหัดแยกไปก็จะเห็นว่าโทสะเกิดได้ดับได้โทสมาอเองไปเองไม่ใช่ตัวเราค่อยๆฝึกค่อยๆยแยกไปออไม่แน่ใจคือภาวนาในชีวิตประจำวันนี่ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าถูกทางยังไงหรือเปล่าถูกไป <c oughs> ทำอีกถูกแล้วโอเคครถ้าทำไม่ถูกจิตมันไม่เหมือนอย่างนี้หรอก รู้สึกไหมว่าจิตเราเปลี่ยนไปครับรู้สึกไหมโลกมันหางออกไปมันไม่น่าจะห่างไปแล้วมันมันกระทบกับคนรอบข้างหรือเปถ้ารักษาศีลอนนพอเราไม่เก็บกดนะทีความร้ายในใจเราออกมามันมันเห็นมันเห็นว่าตัวเองมันร้ายมากร้ายมากหลงพ่อยืนยันเลยให้เรารักษาศีลนะรักษาศีลเลย ร้ายไม่เป็นไรไม่ห้ามนะออจิตใจจะร้ายได้ไม่ห้ามแต่ว่าไม่ให้มันล้นออกมาทางกายทางวาจาไปทำร้ายคนอื่นนะทางใจไม่เก็บกดให้รู้ทานเอาเขาจะเห็นว่ามันร้ายได้เองมันก็าหายของมันเองไปฝึกต่อไปขอบรพระคุณพระอค์น้ำมัสการครับมีคำถามวาถ้าเกิดเราจะเริญนสติจน จ, นจิตสงบ ด้วยคณิกะนะครับหลวงพแล้วเราพิจารณาธาตุสี่ต่อเนี่ยในคณิกะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเดินปัญญาหรือยังคือถ้าคิดนะมันก็ไม่ใช่วิปัสสนานะแต่ว่าอาศัยการคิดเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองนะความเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นนัยตะนะนะไม่ใช่เราเป็นของไม่เที่ยงอะไรอันนี้เป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาใช้ได้เหมือนกันเหมาะกับพวกที่ทําสมาธิแล้วจิตติดนิ่งติดเฉย เพราะฉะนั้นงครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยท่านทําสมาธิกันหลมปีนะแต่ละองค์ทำสมาธิเยอะมากเลยทํากันหลายหลายปีเลยนะจิตจะไปติดความนิ่งสว่างว่างนิ่งๆิ่งอยู่ทางออกของท่านก็คือการพิจารณาร่างกายนะเป็นการกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญาแทนที่แกจะรู้ตัวอยู่เฉยๆนะให้แกหัดมองไกลรักนั่นเองนะพอจิตมันมองไกลรักเป็นแล้วอย่าไปคิดเอานะให้ดูมันอย่างที่มันแสดงจริงๆ ถึงจะเป็นการทําวิปั ส, สนาจริงๆโตที่ชิดไม่ใช่วิปั ส, สนาแต่เป็นการกระตุ้นให้จิตหัดเจริญวิปั ส, สนาถ้าสงบเป็นคณิกะก็เหมือนเราคิดนำให้เป็นธาตุสีได้ไปคิดได้ครับถา้าคิดไปแล้วใจ ก, ก็สงบมากขึ้นมากขึ้นนะเหมือนได้สมาธิมากขึ้นเพราะอะไรการที่คิดพิจารณาร่างกายลงเป็นธาตุเป็นอะไรเนียเป็นสมนถกรรมฐานครับจะได้สมาธิเ<ำ>ยอะขึ้นอาจจะทําให้จิตตั้งมั่นมากขึ้นใช่ ที่จะตามดูมากขึ้น<ช>กิเลสบางตัวที่อาจจะเป็นกิเรสก็ถูกขมม่กข ม, กขมไว้ถูกไหมครัไม่ล้างหรอกมันข่มเฉยๆแต่ถ้าเดินต่อไปจนจิตสงบเป็นอุปจาระและพิจนารณาทาตุีแล้วครับถ้ายังคิดอยู่นะเป็นสมถะถ้าจิตมันไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์แล้วก็เป็นวิปัสนา<ม>ต้องคิดแล้วว่ามิตกนะมิตกวิจารปีติสูงเรื่องของสมถะนั้นเลยวิปัสนาเนี่ย มาจากคาว่าวิกับคําว่าปัสฐนะปัฏฐานะว่าเห็นวิไปแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นในเห็นไตรักณ์ของรูปนามถ้าไม่ได้เห็นใจรักณของรูปนามไม่ใช่วิปัสสนานะถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์ของรูปนามก็ยังไม่เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ก็จําเป็นสําหรับในบางช่วงจำเป็นบางคนสําหรับบางคนและบางช่วงที่ควาจิตติดเฉยถ้าจิตติดเฉยเราให้คิดพิณาเข้าไป ข้านึกเพื่อไม่ให้จิตติดเฉยเท่านั้นเองกราบขอคําแนะนําเพิ่มเติมครับอย่าเพ่งอยู่ตลอดเวลานะปกติเพ่งแบบนี้หรือเปล่าเออถ้าเพ่งแบบนี้ไม่ได้เลยต้องเลิกเลยนะเพราะมันจะไม่เดินปัญญาเด็ดขานมันจะนิ่งทื่อๆไปขนาดน้นนะต่อไปนี้ค่อยๆแยกรูปนามไปรูนะ้จักลวงตามหาบัวไหมดวงตาฟันธงเลยนะบอกว่าถ้าแยก ถ้าแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเราว่าเจริญปัญญานะท่านว่าอย่างนี้นะงั้นถ้าเรายัางแยกไม่เป็นไม่เดินปัญญาหรอกถ้าแยกแล้วมันเห็นรูปมันทํางานเห็นนามมันทํางานรูปก็ตกอยู่ใต้ใจ ร, รักนามก็ตกใต้ใจ ร, รักนั่นแหละเดินปัญญานะแต่ไม่ใช่คิดนะคิดเป็นอุบายเบื้องต้นให้จิตเคลื่อนออกมาจากความสงบก็ได้ครับนมาสการเจ้าขวัญหลวงพ่อ ก็เมื่อประมาณสักสามเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดเพ่งแล้วก็โลกเพราะว่าอยากดีอะคะ่ะมันมีเวลาเราก็ทำให้เยอะขึ้นแล้วคิดว่าผลมันจะได้เยอะขึ้นมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะไม่เป็นหรอกแล้วก็หนูเปลี่ยนฐานจากการหายใจแล้วมารู้ที่จมูกเนะะี่ยค่ะมารู้ที่ลงมาตรงนี้แต่ว่ามันจะลงไปตรงช่วงท้องแล้วมันโบ่ะคะ่ะถ้าลงเลยจากนั้นไปที่ท้องหน้าท้องก็จะเพ่งอีก ถอยกลับมาตรงนี้ก็เพ่งอยู่เลยอยู่ตรงโบโบเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยเจะเรียนโบโบก็เพ่งโบโบ <c oughs> มันก็เพ่งอยู่ดีแหละเราเอาใหม่ <c oughs> เจ้าค่ะนะต่อไปนนี้หายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่าไปดูที่ลมเลรู้สึกทั้งตัวรู้สึกไหมตัวนี้กําลังหายใจอยู่เรายิ้มก่อนรู้สึกไหมตัวนี้ยิ้มเห็นไหมตอนที่ยิ้มได้ใจมันคลายออกนะเราใช้ที่ใจที่คลายคลายนะเป็นปเจริญปัญญานะ ใจตื้อๆเจริญปัญญาไม่ได้ยิ้มหวานก่อนคราวนี้ยิ้มแต่หน้าเจ้าเหรอเห็นไหมมันไม่ยอมหลุดนะเจ้าค่ะออคืออย่าไปคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยคือการต้องทําอะไรคําว่าปฏิบัตินะคนไทยแปลว่าทําหลอกหรอให้เรารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะ จิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วได้ท่านั้นเลยแค่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงถ้าของหนูตั้งใจว่าต้องดีต้องสงบต้องสุขอะไรเนี่ยมันจะบังคับนั่นจะเป็นสมถะแต่ถ้าจิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจลโลภโกรธลงก็รูนะ้ร่างกายหายใจออกก็แค่รู้เห็นตัวนี้มันหายใจไม่ใช่เราหายใจเนี่ยช่วยมันพิจารณาลงไปนิดหนึ่งก่อนก็ได้ เเวลาเห็นร่างกายหายใจนะสอนมาลงไปร่างกายมัหายใจไม่ใช่เราหายใจเนี่ยสอนมาอย่างนี้ก็ได้คิดที่นาก่อนอย่างนี้ก็ได้จิตมันจะได้ได้เคลื่อนออกมาเดินปัญญาได้ไงั้นมันจะนิ่งไปแล้วอ่าของหนูนิี่เป็นอนาปนาสตินี่ถูกไหมเจ้าค่ะอนาปนาสติว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะไม่ใช่มีสติอยู่ที่ลมหายใจนะถูกค่ะ แล้วก็ขอคำแนะนำ อ, ะอันที่สองนะคะพอดีเดี๋ยวเดือนนี้เจ้าขาะหนูจะต้องไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วเขาจะให้ยาสลบคือหนูลองทดสอบดูแล้วครั้งที่แล้วเจ้าขาว่าให้มีความรู้สึกอยู่กับลงตอนที่เขาให้ยาสลบทีแล้วกรส้งแต่ะว่าพห้ามรู้สึกอยู่ตลมตอนที่เขาให้ยาสลบี่หนองอบแล้วครั้ง่แาค่ะว่าให้มคามรู้สึกอยู่กตอ้าลนอดเอดูวี่แลวเาว่ามมอยู่ันมตนี <c oughs> เ้ยสลบหนะ้วคัท่แลาคะ เจ้าค่ะหมอบอกว่าครั้งหน้าไม่ให้ดูจิตแล้วตอนที่เข้าไปดูดูไม่เป็นเนาะเจ้าค่ะดูแล้วไปจับมันอย่างรุนแรงเลยเอาสติจับหลบไม่แรงๆไม่สลบนะเดี๋ยวหมอสลบแทนเราแล้วแล้วครั้งนี้ควรจะทําอย่างไรดีทำใจสบายๆไปแค่คิดถึงพุทโธพุทโธไปนะคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องสนใจร่างกายเลยมันจะได้สลบท์เร็วๆเจ้าค่ะกลับเจ้าค่ะ ถ้าอย่างนั้นมันไม่ไม่ยอมสลบหรอกมีนะภาวนาแล้วเอาจิตจับไปเงี้ยนะแล้วมันไม่ขาดสติไม่ตกผวังเลยนะหมอเนี่ยนะก็นึกว่าสลบแนละ้วเชื่อเฉือนอย่างดีเลยนะ <c oughs> ถอดฟันปลอมใส่ถ้วยไว้ข้างล่างใต้โต๊ะนะฟันปลอกนคนไะข้่นอะทำอย่างนั้นทำงี้เสร็จแล้วผ่าเสร็จนะเอานคนไข้ไปไว้ที่อีกห้องหนึ่ง คนไข้ฟื้นขึ้นมาคนไข้ทวงฟันนะ่ะ <c oughs> บอกเอ๊ะก็หาไม่เจอบอกย่างนี้บอกอน่นอยู่ใต้โต๊ะอยู่ตรงนี้ตรงนี้รู้หมดเลยนะเพราะฉนัยนจะเอาจิตไปจับแบบนั้นเดี๋ยวมันไม่สลบกรกรรมการค่ะหนูนี่ฝึกปรับสวดหมดค่ะตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็เริ่มมาฟังซีดีเมื่อเก่งนะใช่มันฟุ้งเก่งค่ะก็ เพิ่งมาเริ่มฟังซีดีประมาณสักช่วงสิงหาห้าเจ็ดอะค่ะฟังสักประมาณอาทิตย์เซตเซนใช่พอดีตกบันไดอะคะ่ะก็ตอนนั้นก็เหมือนกับเรารู้สึกตัวว่ามันต้องตกลงไปเน้นเราก็เห็นร่างกายเราเนี่ยนั่นแหละดีเป็นกระดูกรู้สึกไหมมันบางทีเห็นหล่นลงมาเป็นช็อตช็อตชอตเลยใช่ค่ะนะมันเหมือนสโลโมชันใช่มันจะสโลเลยมันถึงจะปลอดภัยหน่อยนะค่ะ มันก็นับได้แปดขั้นอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะได้อย่างนั้นรถ <หา S 2> กว่อมรถหงายเนี่ยจะพลิกซ้ายพลิกขวารู้หมดเลยนะเนื่นกันที่เราฝึกสติไว้เวลาชวนตัวขึ้นมาช่วยตัวเองได้ถูกแล้วล่ะแล้วก็อีกอย่างนึ้งคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบพวกเจ้าโทสะอะไรอย่างเงี้ยจริง <laughs> <laughs> <laughs> เวลาขับรถนี่แต่ก่อนจะมีคำออกมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็จะเห็นมัน เยอะขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นดีอย่างนั้นน่ะคนข้างๆเราเขาก็สบายขึ้นแล้วก็ฟังซีดีพระจานมาเนี่ยข้อดีข้อหนึ่งก็คือประหยัดเงินนะคะอแต่ก่อนจแบบจะชอปปิ้งแบบเยอะมากอืก็เดี๋ยวนี้เห็นอะไรก็ก็เฉยๆก็เก็บเงินได้เยอะดีนี้เนี่ย ฟังหลวงพ่อจะเป็นปกติจิตใจเป็นปกติสีเลนะโพเขาสัมปทาใจเป็นปกติรวยคำถามข้อสุดท้ายนะคะคือมีความสงสัยะคะ่ะว่าอย่างโซดาบันอะคะ่ะที่เวลาอ่านพระไตรปิฎกเขาบอกว่าจะเกิดหนึ่งชาที่เรียกว่าเอพีซีใช่ไมค ะ, ะสองสามชาติแล้วก็เจ็ดชาติท่นนี้ไม่มีดีกีความเข้มข้นต่างกันยังไงอ่ะอินซีแกกลาไม่เท่ากันนะ ถ้าปัญญาแก่กล้านะก็จบเร็วนะถ้าปัญญาไม่แก่กล้าศรัทธามากอะไรนะก็ช้าหน่อยอนะไรยเงี้ยอยู่ที่ตัวกำลังวนะ่าหยินสีแก่กล้าแค่ไหนแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วสำหรับหนูนี่ทัดขันแยกหรื อ, อยังคะแล้วก็เกรียงใจเกลียงใจตามสบายเลยค่ะพระอาจารย์ <laughs> <laughs> หนมฟุ้งมากไป <laughs> ใจป็นฟุ้งนะต่อไปนี้นะพุทโธพุทโธอะไรไปก็ได้นะแล้วก็พอพุทโธพุทโธไปพอใจมันหนีไปแล้วก็รู้ทันพุทโธพุทโธอีกใจหนีไปอีกก็รู้อีกฟึกอย่างนี้บ่อยๆนะสมาธิมันเกิดพอสมาธิเกิดขันมันก็แยกขันหน้ามันแยกอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสมาธิไม่พอมันไม่ชัดขันหน้าแยกแล้วดูออกไหมเออขันมันแยกแล้วแต่สมาธิเราอ่อนไปมันก็เลยเลื่อนๆไป กลับมามาสักรดค่ะอยู่ไหนอยู่นี่ค่ะอฟังซีดีหลวงพ่อค่ะตั้งแต่ประมาณกลางปีค่ะก็เริ่มปฏิบัติแล้วก็ฟังทุกวันค่ะค่ะก็พยายามปฏิบัติในรูปแบบก่อนนอนนะคะแล้วก็ช่วงเช้าทําถูกแล้วล่ะค่ะแล้วที่ปฏิบัติตามชีวิตประจำวันนะคะต้องมีอะไรปรับปรุงทําถูกแล้วไงจะปรับอะไรอีกก็ฝึกไปเรื่อยๆทําถูกแล้ว รู้สึกไหมชีวิตจิตใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะมันเหมือนเป็นคนใหม่เลยน ะ, ะมันจะรู้สึกว่าโอ้โหพระพุทธเจ้านะ่อัศจรรย์จริงๆริงกรรมมาของท่านอัศจรรย์จริงๆดีอนุโมโทนาในมกกรดกของหลวงพ่อค่ะ <c ười> คือตื่นเต้นได้พบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกคะ่ะแต่ว่าได้ฟังศีดีธรรมะของหลวงพ่อมาก็เริ่มปีนี้นะคะ จากที่รู้สึกแย่ๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเปลี่ยนใช่ถูกแล้วล่ะถ้าไปเราก็ดูนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นถ้ำเป็นพโพรงที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเนี่ดูไปเรื่อยๆจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็หายไปทั้งหมดทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วดูไปอย่างนี้เรื่อยๆก็คือไปทุกข์ทั้ะ การนัมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านในรอบปีค่ะปีนี้ไปบัดมาปีที่สองแล้วแล้วไงอะ่ะก็ดูจิตดีดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่ว่าจะดูเท่าที่จิตเขาเห็นได้คือไม่ไม่ไม่ได้เพ่งหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างเัี้ยก็เลยสงสัยว่าหนูจะแบบจะหย่อนยานไปหรือเปล่าหรือว่าคือดูเท่าที่เขาดูได้นะ แล้วเขาดูได้ขนาดไหนอ่ะวันหนึ่งดูได้บ่อยไหมหลงยาวไหมถ้าหลงถ้าทํางานนี่คือหล ง, ง ไ, <ป S 1> ไม่ไมทํางานไม่นับทํางานจิตใจต้องอยู่กับ ง, งานแในเวลาอยู่ปกติเนี่ยเผลอยาวไหมก็ค่อนข้างยาวจนกว่าจะมีอารมณ์อณันไหนที่ค่อนข้างเป็นอารมณ์อันไหนเข้ามาถึงจะแบบจะเห็นจิตอารมณ์ที่เข้ามานี่ต้องแรงๆใช่ไหมมดาก็ไม่ต้องแรงมากอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ใช้ได้แต่ถ้าแรงมากไปเลยก็จะแบบ จะจะดูไม่ได้อืดีค่อยๆฝึกไปถ้าไปสติเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะมันจําสภาวะต่างๆได้มากขึ้นแม่นขึ้นสภาวะอะไรไหวแว บ, บมาสติก็ะระลึกได้มันี่จะในหัว่า น, นี้ดีแล้วละ่ะแนวโน้มดีขึ้นแล้วดูออกไหมขันมันแยกได้ดออเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่าแต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินว่าต้องแยกขันแยกรูปแยกนามเราไม่เคยได้ยินเราก็รู้สึกว่าทําไม่ได้ นะเอะเข้าวัดนั่งสมาธิทำบุญทำทานแต่อยากได้นิพพานคนละโลกกันเลยลองมาแยกรูปแยกนามไปเห็นรูปนามแสดงใจรักไปมากผลนิพพานไิจะหนีไปไหนดีคุณพ่อคะออคือโยมเป็นประเภทแบบคือช้านะ่ะคือจะติดแบบดู ดูเวทนาดูลมหายใจให้รู้ทันอย่างนี้นะว่าเราไปสร้างโลกขึ้นโลกหนึ่งโลกของนักปฏิบัติที่มันไม่เหมือนโลกของคนปกติทั่วๆไปโลกของนักปฏิบัตินี่มันจะนิ่งๆจะนิ่งๆแข็งๆนิดๆบังคับตัวเองไปเรื่อยๆขาะนี้รู้สึกไหมสร้างพบอันหนึ่งอยู่เนี่ยให้รู้ทันนะ พบอย่างนี้ไม่ดีเลยให้รู้ว่าเป็นพบพบหนึ่งแล้วไม่ต้องไปแก้ไปหรอกถ้าเรารู้ทันเีย ใ, ใจมันก็ค่อยๆ ค, ค, คลายออกคือคือโยมพยายามจะใช้วิธีดูจิตเหมือนหลวงพ่อนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวดูเนี่ยมันจะช้ากว่าตัวเล่นละค ร, รตัวเล่นละครมันจะวิ่งเร็วมากเออไม่เป็นไรต้องช้ากว่านะให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้มันไม่รู้พร้อมกันหรอก เพราเวลาที่มันวิ่งไปเนี่ยจิตมันหลงขณะที่จิตหลงจะมีสติไม่ได้หรอกมันมีสติตามหลังเพียงแต่ว่าอย่าให้หลงไปนานนะถึงจะรู้คือคือพยายามดูนะคะเหมือนกับว่าต้องยอมปล่อยให้มันให้มันเคลื่อนไปให้มันเคลื่อนไปแล้วรู้นะอย่าไปห้ามมันไม่ได้นะแต่พอดูไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจิตมันจะเริ่มเบื่อมันเองอ่ะเบื่อให้ดูอีกเบื่อให้รู้ว่าเบื่อเิอ่ะเบื่อให้รู้ว่าเบื่ออีกมีอารมณ์เกิดขึ้นใหม่ละคืออารมณ์เบื่อ แต่เรามัดระวังนหนึ่งเราไม่สร้างโลกโลกหนึ่งขึ้นมานะเป็นโลกของนักปฏิบัติคนเป็นเยอะเลย<ม>โลกอันนี้ใจเงยนิ่ง ส, งสว่างสบ า, สบายหรือบางคนใจแข็งนิดหนึ่งใช่อย่างนั้นจะทำได้นานจนลืมไปเลยใช่อย่างนั้นไม่เป็ทางพ้นทุกข์หรอกเราไปติดอยู่<ม>ใจถึงถึงปล่อยมันไม่ดีก็ได้<ม>แต่ห้ามผิดศีลเท่านั้นเอง แต่ว่าวิธีแบบแรกบางครั้งก็ช่วยช่วยให้ร่างกายมีความเ อ, อเหมือนเป็นยารักษาโรคอย่างได้สมาี่รักษาโรคได้โรคบางโรคนะบางโรครักษาไม่ได้ <c oughs> เห็นไหมพอเราคิดจะวางไมลลงไปสบายใจขึ้นนิดนึง <c oughs> แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเป็นนักปฏิบัติแล้วก็รวบจิตเข้ามานึก อ, ออกไหมรวบเข้าอย่างนี้ แล้วเรคงอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะอย่างนี้ไม่ดีอย่าให้อยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละคือโลกของนักปฏิบัติละ่ะให้รู้ทันนะเป็นพบๆบหนึ่งตรงเนี้ยร่างกายหายไปก็เรื่องของสมถะนะไม่เป็นไรพอมีร่างกายขึ้นมาใหม่มันจะรู้เลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันมันจะแยกขาดออกจากกันเลยใช้วิธีเขาเรียกว่าทะลุทะลวงไปหาไบสปอตที่นี่ไบสปอตเนี่ย หชั่วโมงจะหาได้จุดเล็กๆโอ้คนละวิธีกับหลวงพ่อนะค่ะเงินทางใครทางมันพองหลวงพ่อไม่มีการหามีแต่รู้อย่างที่มันเป็นไม่ว่าเราจะหาอะไรเราทําอะไรนะเป็นสมถะทั้งสิ้นเลยนวัส ก, การของหลวงพ่อโยมเอเป็นโทสะจริตค่ะแล้วก็ฝึกดูโทสะกับที่ฏิมานะอยู่บ้างดูอย่าไปเกลียดมันนะ ค่ะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบค่ ะ, ะหลายปีมานี้มินิวอนอยู่ตัวหนึ่งที่อยากจะปรึกษาหลวงพ่อว่าให้ช่วยแนะนําคือลูกมินิวอนเรื่องอมีมินิวอนเรื่องความทุกข์ของสัว์โลกความทุกข์ของโลกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งห่างห่างจากตัวตัวเองไปมากแล้วก็ฟุ้งซ่านเรื่องนั้นเยอะแล้วก็เกิดความเศร้าหมองอยู่เนืองเนื่อให้รู้เลยว่าใจฟุ้งซ่านแล้ว <จะ S 1> ไม่ ม, มีประโยชน์ สอนมันไปสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนะไปทำอะไรไม่ได้หรอกเขาทำของเขาอย่างนั้นยู่กันไม่ได้เนาะแก่อะไรไม่ได้ใจต น, นมันจะเสียเวลาไปห่วงสิ่งที่ห่วงไม่ได้ให้พิจารณาข้อธรรมตัวนี้ขึ้นมาประอบใช่ั<ๆ>้ยคะนะดูนะสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนไปพิจารณาบ่อยๆเลนะื่อยก็ ส่งกันบ้างครั้งแล้วก็ดูไปเรื่อยๆะค่ะ <c oughs> ดูไปดูไปเรื่อยๆอ่าก็ประมาณเดือนกว่าก็ดูนู่นดูนี่ก็เดูไปใชคะนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันก็เบื่อเข้ามาในใจแบบเบื่อหน่ายบางเรื่องแล้วก็ดูก็ไม่มีอะไรวันวัดดูเดี๋ยวใจก็ไปอยู่หลวงพ่อใจก็ไปอยู่ตรงนู่นตรงนี้ก็ไปดูไปเรื่อยๆ นี่คยเคยรู้ทันใจที่วิ่งไปวิ่งมานะ่คะเห็นไหมมันวิ่งได้เองเห็นวิ่ ง, งแล้วก็วิ่งไปตะครุบเอาความทุกข์เข้ามาทุกทีเลยดูออกไหมวิ่งไปหาความทุกข์นะก็วิ่งไปดูแล้วก็หยูดแล้วก็แล้วก็ ว, กวกิ่งไปอยนตลอดให้รู้ลงไปไว่าใจฟุ้งซ่านดูเลยนี่ฟุ้งซ่านดูเขาทางานนะกรู้ว่าเขาฟาุ้งซ่านไม่ว่าเขาแล้วไม่แก้ไม่ต้องแก้ไขให้รู้ว่าฟาุ้งซ่าน ดูสบายๆก็ดูไปเรื่อยๆนี่ใช่ันนี้ชอบใช้คำว่าเรื่อยๆเพราะที่เจ้าไม่ได้สอนดูเรื่อยๆเราดูเนืองเนืองดูเรื่อยๆมันดูเรื่อยเปื่อยไงชอบคนกรับมาสการครับหลวงพ่อวันที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อตัวเป็นๆแต่วันนี้ได้มาก็ได้มาฟังธรรมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยัง อยากให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยกล่าวหรือว่าช่วยเทศฟังเนี่ยก็คือเรื่องการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทหนึ่งสองเนี่ยก็คือว่าฟังทำหลวงพ่อแล้วเนี่ยเหมือนว่าให้เราทําใจสบายๆแล้วก็รับรู้ว่าไม่ต้องผักอารมณ์ไหนอารมณ์หนึ่งไป<ช>ไม่ต้องดึงอารมณ์ไหนเข้ามา ใ, <ช>ใกล้เกินที่ฝึกใช้ได้นะฝึกฝึกไปเรื่อยๆประมาทความประมาทนี้กไม่มีสติ ถ้ามีสติอยู่นะมีความเพียรอยู่ไม่ประมาทถ้าขาดสติแล้นะขาดความเพียรวก็ประมาทขอบคุณไม่ประมาทหรอกแต่ถือศีลไว้เนาะรักษาศีลห้าแล้วก็มีสติไปได้ขันแม่นแยกแล้วภาวนาใช้ได้ดีมาส ก, การขลุกพ่อยมยมฝึกในรูปแบบตอนเดินจงกรมนะคะมี ก้าหนึ่งเคยรู้สึกว่าขณะเคลื่อนเท้าไปข้างหน้านะคะรู้สึกตึ๊บตึต๊บทีทนะคะไม่เหมือนเก้าเก้าอื่นๆที่เคยที่เคยเดินแต่เป็นอยู่เก้าเดียวแล้วขนาดช่วงเวลานั้นก็จะรู้สึกเหมือนเวลาเดินนี่เหมือนลอยไปเงี้ยค่ะไม่ทราบว่ามันเกิดจากอะไรแล้โยมปฏิบัติผิดหรือถูกยังไงขอคำแนะนำค่ะไม่ผิดไม่ถูกกนะเป็นธรรมดาสติเราเร็วเราเห็นเป็นช็อตช็อตงั้นนะแต่ถ้ามันไม่เร็วก็ไม่ว่ามันไม่ดีไม่ช่วอะไรหรอก แ ค, แค่รู้สึกทัวโทัวพร้อมอยู่ปัจจุบันเห็นในตัวนี้ไม่ใช่เราก็ใช้ได้แล้วละ่ะไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นช็อตๆขนาดนั้นก็ได้ถ้าเห็นก็ไม่เป็นไรที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถูกหรือผิดยังไงค <laughs> ขอคำแนะนํานนพราะขาดเนี้ <ขอ S 1> <ๆ S 2> จิตเป็นยังไงบอกก่อนมากเลยค่ะจิตไปกดอยู่ดยออกไหมจิตฟุงสร้านเก่งหรือเปล่า เก่งนน <นะ S 2> กันค่ะก็รู้เพราะว่าเก่งอู่รู้บ่อยว่าฟุง้งดังั้นต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะจะ<ฆ>อยู่กับลมหายใจอยู่กับอิริยาบถอะไรก็ได้แต่ว่าเวลาเราอยู่กับลมหายใจอยู่กิริยาบถเนี่ยไม่ใช่บังคับจิตให้อยู่นะ <c oughs> รู้ร่างกายไปถ้าจิตหนีไปเรารู้ทันหรือรู้ลมหายใจไปแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดเวลา ให้รู้ท่านจิต ท, ที่เคลื่อนนะจะเดินตรงกลมก็ได้เดินไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไม่ใช่เดินไปดูร่างกายนะอย่างนั้นง่ายไปถ้าเราเดินแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยเราจะได้สมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นคือไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้บังคับนะหลวงพ่อเคยเจอครูบาอจารย์องนะคคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวหลวงตาก็ว่าท่านภาวนาดีนะ คุอแม่จันทีถามหลวงพ่อบอกถ้าอาจารย์ภาวนาอย่างไรจิตลงที่เดียวกันลงที่เดียวกับท่านหลวงพ่อบอกหลวงพ่อหายใจหายใจพระลมมันสงบนะมันกลายเป็นแสงอยู่ตัวเนี้ยเราก็รู้อยู่แต่ไม่ได้ดูแสงรู้ตัวแสงอยู่นะถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้พาจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็เดินปัญญาท่านบอกท่า ง, งั้นอันเดียวกันแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้ลมหายใจท่านพุทโธพุทโธแล้วอยู่ที่นี่นะ พุทโธพุทโธจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้งั้นตรงที่เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนเรารู้นะเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาสมาธิที่จิตตั้งมั่นคือจิตที่ไม่เคลื่อนถ้าจากนั้นเราก็เดินปัญญาดูรูปประธรรมมันทํางานดูนามมันทํามันทํางานไปแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นพอนะมันไปเจริญปัญญาไม่ได้เท่าไรหร่หรอกงั้นเราฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนเดินจงกรมก็ได้เดินไปแล้วจิตหนีไปเรารู้ จิตไปอยู่ที่เท้าเรารู้จิตนี้ไปคิดเรารู้นะฝึกเงี้ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆสมาธิที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นขอให้หนุ่มเนี่ยเพ่งมากไปพี่ส่งกันบ้านตะเกียนั่งเนี่ยนั่งเพ่งเอาเพ่งเงานะใจมันจะอึดอัดอย่าไปเพ่งมันนั่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงมัน เพนะราะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูถ้าใจหนีไปก็รู้ใจไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หายใจไปเราก็รู้ทันใจไปหายใจแล้วรู้ทันใจนะไม่ใช่หายใจแล้วเพ่งให้นิ่งๆครับผมขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกคนในที่นี้ครับพนักงานเชฟหลอนเพื่อนทำทุกคนนะครับขอกล่าวคำถวายสังฆทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย เครื่องปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แดหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทิน รัะพรสนอยนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตทินังเฟตานังอุปกัะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันทธปันระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตพวัตวันตระโยสุขีที่คาโยโกภาวะอภิวาธนาศีลิสนิจังวทาปจายโนจัตตารธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขขังพะลัง